บทที่123แสงสุดท้ายของทิวากาลกำลังจะหมดสิ้นขณะเมื่อคณะทั้งหมดบรรลุถึงป่าปามสลับไปกับพันไม้ลมลุกอันเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ภายในเนื้อที่ไม่เกินสามตารางกิโลเมตรซ่อนอยู่ใจกลางป่าหินและขุนเขาอันปราศจากสั ญ, ญลักษณ์แห่งชีวิตรอบด้านั่นหมายถึงการกำหนดที่หมายและนาทางอย่างแม่นยาของแง่ใส แม้จะไม่ช่วยความหวังอะไรเพิ่มขึ้นได้มากนักทุกคนก็ยังอดที่จะตื่นเต้นใช่ไหมได้เมื่อมาถึงเขตชุ่มชื้นและภายหลังสำรวจกันอย่างคร่าวๆก็พบว่ามีพืชผลบางชนิดพอที่จะใช้เป็นอาหารได้อะไรก็ช่างเถอะอย่าไปเจอ้อ้พันธไม้อุบาทกินคนก็นแล้วกันใช้ยันพึมพำเบาๆอย่างไม่ไว้ใจสนิทนะักขณะที่กวาดสายตาไปรอบๆ ร, ระหว่างที่คณะทั้งหมดเดินล่วงเข้าสู่เขต คงไม่มีพันธไม้ที่เป็นอันตรายอย่างที่เราเจอกันมาแล้วหรอกลักษณะภูมิประเทศไม่ได้บอกเช่นนั้นชยาภูมิที่นี่มันรื่นรมกว่าทุกแห่งที่เราผ่านกันมาแล้วนับตั้งแต่ออกจากนิทรานครเช่ถาตอบคําสหายของเขาอนุภาพของแผ่นดินไหวแผ่มาถึงที่นี่ด้วยแต่ไม่รุนแรงจนถึงกับทําลายสภาพอันเป็นตัวเดิมของมันไปมากนะักไม้ประเภทตามขนาดใหญ่หลายต้นถอนโคนหักโคนลงเกลือน แต่ส่วนใหญ่ก็ยังยืนต้นอยู่แผ่นดินมีรอยซุดและแตกแยกบ้างในบางส่วนเงียบสนัดอยู่ในความวิเวกอันสันโดดหมอกควันบางๆลอยแผ่ปกคลุมอยู่ทั่วไปมีแอ่งน้ำอยู่ในกลางบริเวณและแหล่งน้ำพุที่ผุดออกมาจากซอกหินทั่วไปสาคต้นไม้ที่มีอยู่อย่างมากมายเหล่านั้นอาศัยทาฟืนก่อไฟได้อย่างสบาย ความมืดที่โรยตัวลงอย่างรวดเร็วทําให้ไม่สามารถจะสํารวจตรวจตรากันได้ทั่วบริเวณนอกจากเลือกหาแหล่งพักนอนอันเห็นว่าสะดวกสบายและเหมาะแก่ทางหนีที่ไล่ที่สุดอันเป็นบริเวณแหล่งแอ่งน้ําพุตอนหนึง่งด้านใต้ในวงแวดล้อมของหมู่หินและต้นตรงขนาดใหญ่ใต้ร่มเงาของต้นปาล์มลักษณะประหลาดทั้งหมดปลดสัมภาระหาบหามและช่วยกันวางแคมอย่างรวดเร็วแข่งกับเวลา พร้อมกับก่อไฟการเดินกรำหนักมาตลอดครึ่งข้อนวันทำให้เหน็ดเหนื่อยอ่ อ, อนเพลียกันจนกระดิกกระเดียกายไม่ไหวระหว่างที่ทุกคนลงนั่งพักเหยียดแขนขาอยู่อากาศขมุก ข, ขมัวลงเต็มที่แทบจะมองอะไรไม่เห็นห่างตัวมากนักระพินก็ฟ้าไขว้ฉายประจำตัวกับไรเฟิลติดมือขึ้นมาผมจะลองไปดูตรงแอ่งน้ากลางบริเวณนั่นหน่อยครับ ทุกคนพักผ่อนให้สบายนะครับไม่ต้องตามผมไม่เสียเวลาหรอกแล้วก็กรุณาอย่าห่วงครับเขาบอกแล้วเดินดุมพระไปเงียบๆไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบ้างยังไงนตานี่ใช้ยันบนเชืฐาดีดนิ้วเรียกแงซทรายเข้ามาแล้วสั่งว่าตามผู้กองไปแงซทรา ย, ายจอมพระเจนจรก้มศีรษะรับคำเดินไปคว้าคันธนูกับกระบอกสรน ออกตามหลังพรานใหญ่ไปโดยเร็วมาทานกันในป่าปรงุงปากทางที่จะทอดไปสู่แอ่งน้ำกว้างห่างจากที่พักออกมาประมาณ500เมตรระพินแววเสียงฝีเท้าที่ตามหลังเขาหันไปดูนิดหนึง่งในความสัวรางของเริ่มราตรีนั้นแล้วก็จำลักษณะรูปร่างได้หยุดยืนจุดีิก้าสูปรอคอยอยู่ถ้าเห็นผมตามมาครั้งใดผู้กองก็คงจะทราบไม่ใช่หรอครับ ว่านี่เป็นคำสั่งของเจ้านายคนใดคนหนึ่งของเราไม่จำเป็นจะต้องกล่าวเกินออกตัวซะก่อนหรอกแง่ า, ายฉันรู้มา น, นานแล้วว่าทำไมมีคำสั่งใดๆจากนายของเราแล้วก็ไม่เคยแสดงออกซึ่งอาการว่าห่วงใยฉันหรอกแง่ท า, ายยิ้มผมไม่กล้าแสดงความรู้สึกนั้นออกมาเด่นชัดนักครับเกรงผู้กองจะหาว่าเสือกแต่ผู้กองรู้สึกว่ามีอะไรผิดปกตินะครับถึงได้รีบออกมาสารวจที่นี่เดี๋ยวนี้ จอมพรานมองไปที่คันธนูในมือของแง่ทรายและกระบอกสอนติดระเบิดซึ่งสะพายพร้อมอยู่บนไหลฉันก็อยากจะถามแกเหมือนกันมีอะไรผิดปกติเหรอแทนที่จะใช้ไรเฟิลประจำตัวก็กลับเอาธนูมาแทนนะ่ะผมเพียงแต่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้กองเท่านั้นครับคือไม่ประมาทและยามใดก็ตามที่ผมใกล้ชิดกับผู้กองในภาวะเช่นนี้ผมควรจะต้องมีธนูกับระเบิดพร้อมอยู่ในมือด้วย ฉันรู้ว่าแกก็สังหรณ์อย่างเดียวกับฉันแหละที่นี่มีแอ่งน้ากว้างใหญ่ที่สุดในแถบนี้ถ้ามันไม่ตายซะก่อนเพราะอันตรายจากแผ่นดินไหวเมื่อวานมันอาจมาพักหลบหาน้ากินหรือคอยพักหาอาหารอยู่ที่นี่ไปเข้าไปตรวจ ด, ดูกันให้เห็นชัดดีกว่ากาวจบเขาก็เดินล่วงหน้านำไปก่อนพร้อมกับไฟฉายในมือซึ่งสาดออกไปเป็นระยะตามบริเวณแอ่งน้ากว้างนะ และเดินเลาะไปตามขอบฝั่งพื้นอุดมไปด้วยกรวดหยาบผสมไปกับทรายสีเทาเป็นแนวโล่งเตียนเมื่อเข้าชิดขอบแอ่งอันมีลักษณะเป็นวงกลมรีนั้นป่าปรงและวัชพืชไม่ได้ขึ้นปกคลุมยังบริเวณใกล้เคียงขอบรอบด้านด้วยมีแต่โขดหินเตี้ยๆเรียงรายอยู่เป็นระยะสลับไปกับพวกปม่มทาให้สังเกตเห็นอะไรได้โปร่งโล่งระยะไกลพอสมควร ในลําไฟฉายที่กราดออกไปทั้งคู่มาหยุดยืนอยู่ที่รอบขอบด้านตะวันออกเหมือนจะสดับกลับฟังเสียงและทําตัวเองให้กลืนสนิทเป็นส่วนประกอบแห่งความเงียบสงบของแอ่งน้ํานั้นอยู่พักใหญ่ดับไฟฉายในมือมืดลกลงค้ำโชยผ่านกลางแอ่งพัดมาสัมผัสกายอยู่เป็นระยะหอบเอาไออุ่นของความร้อนระอุได้แผ่นพิพพ ซึ่งปกคลุมอยู่ทั่วไปมาด้วยทุกขนทุกแห่งมืดมัวและเห็นสิ่งแวดล้อมรอบด้านยืนสงบอยู่ในเงาตะคุ่มด้านใต้ในป่าปามอันเป็นแคมป์ที่พักแลเหินแสงรางรางจากกองไฟที่ก่อไว้ปรากฏทาพกับความดำสนิทของปีกรัติการบุคคลทั้งสองยืนเคียงกันโดยไม่ได้พูดคำใดเลยความคิดอ่านภายใน หรือฉันชาติยานแห่งการรับรู้ในรหัสใครรอบตัวเสมอทัดเทียมกันอยู่แล้วโดยไม่ต้องบอกกล่าวซักซ้อมต่อมาแผนใหญ่สองไฟใช้อีกครั้งตัดออกไปกลางแอ่งน้ำซึ่งลักษณะมันควรจะเป็นสระหรือบึงย่อมย่อมรู้สึกว่าจะไม่มีความลึกมากนะักหมอกควันทั้งหนาและบางลอยควางปกคลุมอยู่เหนือผิวน้าเป็นกลุ่ม เหมือนเงาปีศาจที่แปลงเปลี่ยนรูปร่างอยู่ตลอดเวลาในฝั่งที่ยืนกันอยู่นั้นภายหลังจากการพินิษถี่ท่วนขึ้นแง่ายส ก, กิดให้เขาสังเกตไปยังเงาตะคุ่มที่เรียรายฟังอยู่บนพื้นทรายและโผล่บางส่วนขึ้นมาเมื่อต่างเดินเข้าไปตรวจดูใกล้ๆก็พบว่าแทนที่จะเป็นก้อนหินตามธรรมชาติแต่มันกลับเป็นซ่าโครงกระดูกบางส่วนของสัตว์ใหญ่เก่าแก่โบราณกาล สลับไปกับชิ้นกระดูกใหม่ๆซึ่งขา้าโพโลนปะปนอยู่เป็นระยะบางโครงซาามีลักษณะพอที่จะเชื่อได้ว่าเนื้อที่หุ้มอยู่นั้นเพิ่งจะเน่าเปื่อยลอกออกไปหมดจนเหลือแต่กระดูกล้วนๆไม่เกินสองสามเดือนมานี่เองและยิ่งเดินตรวจกันไปตามแนวรอบขอบฝั่งนั้นก็ยิ่งพบมากขึ้นเราตัดสินใจได้ถูกแล้วละ่ะที่ไม่มาวางแคมป์ตรงนี้ พรานใหญ่กระซิบกับอดีตโอยโทรกองจนกระเรียงแผ่วเบาขณะที่กวาดไฟฉายไปตามซากโครงกระดูกใหม่ๆเหล่านั้นที่นี่นะมันเป็นป่าช้าของสัตว์ทั้งหลายทีเดียวมันพากันมาล้มตายอยู่ที่นี่ด้วยมิฉนั้นก็ถูกฝ่ายที่มีอานาจเหนือกว่าลากมากินที่นี่น้ำก็คงไม่สะอาดนักอาจมีสัตว์ลงไปตายเน่าและละลายอยู่ในน้าทับถมกันนับไม่ถ้วน แง่าสายนิ่งเงียบอยู่เช่นนั้นตาอันคมไวและชินต่อความมืดจ้องไปคนละทางกับลำไฟฉายของระพินที่กำลังตรวจดูตามแนวพื้นครูใหญ่ต่อมาก็สะกิดแขนเขาอีกครั้งผู้ ก, กองครับส่องไฟขึ้นไปบนปา่าปาล์มเหนือฝั่งด้านขวามือนู่นสิครับผู้ ก, กองผมรู้สึกว่าจะมีอะไรผิดปกติอยู่ปาล์มหลายต้นเอนลูเป็นทางและหลายต้นดูจะคล้ายยอดหัก ลักษณะนั้นมันไม่น่าจะเกิดจากอำนาจสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับจอมพรานกระดกลำไฟฉายฮันเตอร์ของเขาพุ่งตรงไปยังตำแหน่งที่แงซ้ายชี้บอกทันทีพะมองเห็นได้ถนัดในลำแสงของไฟฉายกระพินกระเป๋าลมออกจากปากเบาๆโอ้โหสังหรณ์ของเรานี่ไม่ผิดไปเลยมันจริงๆนั่นแหละล่วงหน้ามาก่อนเราแล้วเข้าไปดูให้แน่ดีกว่าครับอาจเป็นพวกไดโนเสาร์พันธุ์อื่นก็ได้ ทั้งสองเดินตรงเข้าไปโดยเร็วยังไม่ทันจะต้องขึ้นไปสำรวจรอยหักของต้นตามซึ่งเป็นทางราวกับเครื่องบินแล่นชนปรากฏเป็นแนวตลอดขึ้นไปบนฝั่งขึ้นหลักฐานที่เห็นได้อย่างเด่นชัดและแน่นอนที่สุดก็เป็นประจักษ์พยานอยู่ทนโท่ตําตาบนพื้นกรวดทรายริมขอบแอง่งรอยเท้าของไอ้มหายักรมันเดินตะลุยย่าลงไปกลางแอ่งน้า แล้วก็เดินกลับขึ้นไปตามทิศทางเดิมกลับที่ลงมาลงทางไหนก็กลับขึ้นทางนั้นภายหลังจากส่องไฟตรวจ ด, ดูรอยเท้ามาคือมานั้นอยู่ชั่วอึดใจเดียวทั้งสองก็เงยขึ้นมองตากันไม่ผิดตัวไม่ใช่เหรอเมสัยกัดริมฝีปากเบาๆไฟฉายในมือของตนเองซึ่งตลอดเวลาไม่ได้ใช้ส่องอะไรเลยเพราะอาศัยลำแสงจากดวงของระพินมาทุกระยะ บัตนี้เปิดสว่างขึ้นฉายขึ้นไปตามแนวป่าปามอันเห็นรอยขึ้นลงของเจ้าสัตว์ยักษ์นั้นเหมือนจะส่องสำรวจรอยหักย่อยยับให้เห็นตลอดขึ้นไปจนเท่าที่ลําแสงไฟจะสาสไกลได้ถึงลงมาจากด้านเหนือขากลับก็ย้อนรอยเดิมเส้นทางเดินของเรากับมันเห็นจะเป็นทิศเดียวกันใช่แล้วละครับผู้กองแกคิดว่ามันลงมาที่นี่ และกลับขึ้นไปก่อนหน้าเรามาถึงสักเท่าไรเขาหยั่งเสียงความความเห็นของเจ้าคนปรีชาชาญในด้านอ่านรอยซึ่งแน่ละคงจะไม่ได้หรือไม่เหนือไปกว่าเขาสักเท่าใดนักประมาณไม่เกินสี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่เร็วกว่าสองชั่วโมงครับเงยสายบอกอย่างรวดเร็วและนี่ดูเหมือนจะเป็นครั้งแรกที่เจ้าคู่ปรับของเขาให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาบริสุทธิ์ใจจริงโดยไม่เกี่ยงงนิน หรือยนโยอะไรผิดไปจากทุกครั้งการคาดคะเนของแง่ทรายใกล้เคียงกับความรู้สึกของเขาเท่าที่สายตาและประสบการณ์บอกอยู่ในขณะนี้ยังก็มันจะรู้ว่าเราจะต้องเดินทางมาทางนี้ทีเดียวนะผมบอกกุกองแล้วนะครับว่าเราเห็นจะเลี่ยงมันไม่พ้นแน่ถ้าเราเลือกเดินในเส้นทางพื้นรับมันซนสานก็ามาหาแหล่งน้ํา พวกเราเองก็มีความจําเป็นที่จะต้องเข้าหาแหล่งอันอุดมสมบูรณ์นี้เหมือนกันนอกจากบาดแผลตาซ้ายแตกโดยฝีมือของนายหญิงตั้งแต่วานซื้ น, นี้แล้วผมไม่คิดนะครับว่ามันจะมีบาดแผลชักกันอะไรจากลูกปืนของพวกเราในส่วนอื่นๆ อ, อ, อ, อีกเพราะไม่มีรอยเลือดหรือรอยที่แสดงให้เห็นว่ามันอ่อนกําลังลงแม้แต่นิดเดียวสําหรับเดี๋ยวนี้แกคิดยังไงต่อไปล่ะแง่ใส่พพก็ผู้กองแหะครับ ตามดูให้ตลอดว่ามันมาจากทางไหนและไปทางไหนฉันไม่สะดวกใจเลยนะสมมุติว่าคืนนี้พวกเราตั้งแคมป์นอนกันอยู่ที่นี่ส่วนไอ้ยักษ์ก็นอนอยู่ใกล้ๆเหมือนกันใครจะรู้ได้ระหว่างที่พวกเรานอนหลับไม่รู้ตัวมันอาจเข้าไปเยี่ยมโดวยวิธีเดินเพียงไม่กี่ก้าวผมก็คิดอย่างเดียวกับผู้กองนะครับถ้าหากไม่เกรงใจว่าฝ่ายนายจ้างเขาจะรอนานนักก็าอาจผิดสังเกตและเป็นห่วงที่เรากลับช้านะครับ ชื่อว่าคงไม่สีเวลามากนักนะเงี่ยทรายเราจะตามดูจนสุดบริเวณโอเอซิสนี้เท่านั้นดูให้รู้แน่ว่ามันไม่ได้หลบนอนอยู่ในบริเวณนี้บุคคลซึ่งตามทันกันหมดในทุกด้านแม้แต่ความรู้สึกนึกคิดก็ออกเคลื่อนที่ในทันทีนั้นสาวรอยของไอยักษ์ไทรนโนสรัสลำบากซึ่งทิ้งไวให้เห็นนั้นขึ้นไปโดยเร็วชนิดไม่ชักช้าเสียเวลาใดๆ อยู่อีกทางด้านแคมป์ที่พักทุกคนที่ล้อมวงกันอยู่รอบกองไฟเริ่มจะรู้สึกเหมือนกันหมดในการหายไปนานผิดสังเกตของระพินและแง่สายและเริ่มจะไม่ปลอดโปร่งโล่งใจนักต่างรอคอยอยู่ด้วยความกระวนกระวายซึ่งนับเวลาล่วงผ่านไปก็ยิ่งทวีเพิ่มขึ้นทุกทีแต่แล้วก่อนที่เชษฐาจะตัดสินใจส่งใครไปตามนั่นเองต่างก็แว่วเสียงฝีเท้าและเห็นลำไฟฉายวับแวบ ใกล้เข้ามาสองคนเดินกลับเข้ามาคนละด้านกับที่เดินไปเมื่อครึ่งชั่วโมงนี้ทั้งคณะมองจับอยู่ที่ทั้งคู่เป็นตาเดียวแทนคำถามระพิงโยนไรเฟินไปให้เกิดรับไว้ตนเองสุดกายลงนั่งเบื้องหน้านายจ้างควักกระติกน้ำออกมาดื่มอยักครับมันมาถึงที่นี่ก่อนหน้าเราประมาณสองสามชั่วโมงครับเขาบอก แล้วเล่าให้ทุกคนทราบว่าได้เห็นร่องรอยของมันเช่นไรบ้างลักษณะของมันนะมุ่งหน้าขึ้นเหนือตลอดแต่ผ่านเข้ามาที่นี่ก็เพื่อหยุดกินน้าแล้วออกเดินต่อไปในทิศเดิมทางเดียวกับที่เรากําลังจะไปนะครับกําเก่าทั้งของมันและของเราด้วยชัยยันพึมนพำหลีกไม่พ้นซะแล้วอีแบบนี้ตรวจ ด, ดูแน่หรือเปล่าว่ามันไปห่างไกลจากที่นี่แล้ว รั่วมันดักซุ่มอยู่ละแวกใกล้ๆเชิถาถามมันเดินพ้นออกจากบริเวณโอเอซิสที่นี่มุ่งหน้าตัดเข้าป่าหินแต่จะไปไกลสักแค่ไหนก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันครับลักษณะแบบนี้นะ่ะมันเหมือนกับไอ้ผีดิบมันไรไม่มีผิดชนะดารินกล่าวอย่างไม่สบายใจคอยเดินตามดักหน้าดักหลังเราอยู่ตลอดเวลานี่าถิดคุณพอจะเดาได้ถูกไหม ว่ามันเป็นเหตุการณ์บังเอิญที่ทั้งมันและเราต้องการจะบ่ายหน้าไปทางเดียวกันหรือว่าเป็นเจตนาโดยตรงของมันที่ตามจะเล่นงานเราให้ได้จอมพลันอึ้งไปครู่ผมทายอะไรไม่ถูกจริงๆครับในข้อนี้แต่ธรรมชาติหรือสัญชาตญาณของมนุษย์และสัตว์ทั่วไปเนะี่ยย่อมเหมือนกันหมดคือจะต้องบ่ายหน้าเข้าหาแหล่งน้าและแหล่งอาหารอยู่เสมอระยะนี้มันบาดเจ็บอยู่ด้วย จึงหายแหล่งน้ำกินอยู่บ่อยครั้งถึงเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันเรากับมันมีจุดพบกันที่แอ่งน้ำจึงอยากจะคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญใช่มากกว่าเพราะถ้ามันรู้ว่าเราจะต้องมาที่นี่และมีเจตนาจะดักเล่นงานมันก็ควรจะรอคอยอยู่แต่นี่เห็นว่ามันผลักต่อไปเมื่อลงกินน้ำเสร็จนึกว่าจะตะเลิดเปิดเปิงไม่ก็ล้มหายตายจากไปแล้วอีตอนแผ่นดินไหว แต่แล้วก็กลับปรากฏว่ายังป้วนเปลี่ยนใกล้ชิดอยู่กับพวกเรานี่เองไม่ยอมไปไหนก็สึกแล้วแต่ละเหตุการณ์เถอะรพินพวกเราพร้อมไว้เสมอก็แล้วกันอย่ามัวพัววงคิดระวังแต่มันอยู่อย่างเดียวให้คอยระวังไทยแทรกซ้อนอย่างอื่นด้วยเราไม่รู้ว่านอกจากเจ้าไทแรนโนซอรัสตัว น, นี้แล้วยังจะมีอันตรายอย่างใดอีกบ้างภูมิประเทศที่เราร่วงล้ำเข้ามานี่สภาพของมันน่ากลัวมาก สิ่งที่ไม่ขาดฝันเกิดขึ้นได้ทุกขนาดจิตมาเรียผู้ประจันหน้ากับอายักษ์ร่วมกับเขาเมื่อบ่ายวานกระซิบถามเบาๆว่าไพวันลักษณะของมันเป็นยังไงบ้างเท่าที่คุณสังเกตเห็นจากร่องรอยอาการของพรานใหญ่เต็มไปด้วยความหนักใจหันไปมองดูแงาซายซึ่งนั่งสงบนิ่งอย่างไม่มีใครอ่านความคิดออก มไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะอ่อนเปลี้ยเสียกําลังไปสักเท่าใดนักนะในการตะทะกับเราอย่างหนักมาแล้วถึงสองครั้งตาซ้ายน่ะพิ ก, การลงแล้วก็จริงแต่ยังแข็งแรงและปราดเปรียวอยู่มากทีเดียวซ้ํายังดุร้ายเกร้ยวกราดอย่างไม่มีเหตุผลด้วยบางทีจะเป็นเพราะความเจ็บปวดทรมานที่ตาเห็นมันกัดขย่ํายอดบามขนาดใหญ่แหลกไปสองสามยอดและทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า หินหลายก้อนมีรอยถูกมันชนกระแทกเคลื่อนที่ล้มระเนระนาดคำบอกเล่าของเขาทำให้ทุกคนนิ่งงันกันไปครู่ใหญ่ถ้างั้นจะเอาอยัางไงดีสำหรับคืนนี้สมมุติว่ามันไม่ได้ไปไกลแต่ซุ่มอยู่ใกล้ๆบริเวณนี้และพอกลางดึกก็ย้อนกลับมาเล่นงานแล้วจะรับมือมันอีท่าไหนชัยภูมิที่เราพักนอนอยู่นี่ไม่มีที่หลบปลอดภัยเลยนะช ย, ยันเอ่ยขึ้นอย่างขอฟังความเห็นของทุกคน ขณะที่เอาไฟฉายสองกลาดภูมิประเทศไปรอบด้านนี่ไม่แปลว่าเราจะต้องเคลื่อนย้ายจากที่สบายที่นี่เข้าไปหลบพักนอนในป่าหินที่ผ่านกันมาแล้วเหรอดารินเริ่มเต็มไปได้วยความวิตกกังวลอีกครั้งในขณะที่ระพินยังนั่งนิ่งเหมือนใช้ความคิดในที่สุดระหว่างที่ทุกคนกําลังรอฟังความเห็นของเขาอยู่ยังไม่สามารถจะตัดสินใจเช่นไรได้จอมพลางก็บอกเรียบเรียบว่า เราพักกันอยู่ที่นี่แหละครับไม่ต้องย้ายไปไหนให้เสียเวลาหรอกป่าไม้ที่แวดล้อมเราอยู่ในขณะ น, นี้จะเป็นรั้วเตือนภัยให้เราทราบได้เป็นอย่างดีที่สุดถ้าหากมันจะย้อนกลับมาเล่นงานเราตอนกลางดึกอย่างที่เราแวงกันเสียงต้นไม้หัดจะบอกให้เรารู้ตัวล่วงหน้าและเตรียมรับมือทันดีเสียกว่าจะเข้าไปหลบพักนอนตามถ้าในป่าหินจะอีกแล้วอีกอย่างหนึง่งอยู่ที่นี่เรามีฟืนก่อไฟอย่างสมบูรณ์ กลิ่งควันไฟอาจจะทําให้มันชะ ง, งักไม่กล้าเข้ามาก็ได้เพราะสังเกตมันก็เป็นสัตว์ที่กลัวไฟเหมือนกันอืมจริงของระพินไม่ต้องเดือดร้อนย้ายไปที่ไหนหรอกปากหลักอยู่ตรงนี้แหละถ้ามันบังอาจบุกเข้ามาก็ฟาดกับมันให้รู้ดีรู้ชั่วกันไม้แตในคืนนี้แต่คิดว่ามันคงยังไม่แตกหักกับเราตรงนี้แน่แต่อาจจะเป็นที่ใดที่หนึง่งในหุนทางข้างหน้าซึ่งภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมเป็นความได้เปรียบของฝ่ายมันทุกประการ ก็คงเมื่อนั้นแหละบอกตามตรงสำหรับคืนนี้ดูเรื่องกลมแล้วมันไม่น่าจะมีเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นหรื อ, อยังไงแงสายประโยค์หลังท่านหัวหน้าคณะหันมาถามคนใช้พิเศษใบหน้านั้นหันมาสดตาแล้วยิ้มจางๆพร้อมกับสายสันสีรัะผมไม่มีความคิดเห็นใดๆทั้งสิ้นครับในายใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างมันปลอดภัยมันปลอดไปจากจิตสัมผัส ข, ของผม แต่ผู้กองก็เตือนผมไว้แล้วว่าให้เตรียมพร้อมทุกขณะขอให้เจ้านายทุกคนพักผ่อนคืนนี้ให้สบายเถอะครับผมจะรับหน้าที่คอยระวังให้เองดีมากแง่สายมีแกร่วมกับพรานใหญ่อีกคนนึงทำให้พวกเราอุ่นใจขึ้นอีกมากและเชษฐาก็สั่งให้พวกพรานทุกคนนอนพักผ่อนได้ในทันทีคงเหลือแต่กลุ่มของเขากับพรานใหญ่และแง่รายเท่านั้นที่ยังหารือกันอยู่ครู่หนึ่งก่อนนอน ท่านหัวหน้าคณะขอแผนที่ลายแทงออกมากลางพิจารณาดูอีกครั้งและพินอธิบายเส้นทางเดินที่ผ่านมาแล้วให้ทราบได้เรียกเงยทรายให้ข้ามาร่วมดูอยู่เพื่อฟังความเห็นด้วยบริเวณเกาะชุ่มชื่นหรือโอเอซิสที่เราพักกันอยู่ขณะ น, นี้อยู่ตรงไหนในแผนที่ฉบับนี้คุณพอจะชี้ได้ไหมผู้กองเชี่าถามขณะที่สายตาจับอยู่ในระหว่างสองจุดหมาย ในลายแทงฉบับนั้นคือจุดอันเป็นเขาเกือกมาและทะเลสาบมรณะซึ่งเป็นเส้นทางที่ทั้งคณะจะต้องเดินทางอยู่รพินไพรวันคิดอยู่นานตาทั้งคู่รีลงรู้สึกว่าระยะหลังๆมานี่เขาเต็มไปได้วยความลังเลไม่แน่ใจอยู่ตลอดเวลาในการที่จะให้ความเห็นอย่างใดออกไปอย่าว่าแต่เชษฐาซึ่งตั้งข้อสงสัยอยากจะทราบและถามเขาอยู่ในขณะนี้เลย แม้ตัวเขาเองก็กำลังเพียรค้นหาจุดนี้อยู่เหมือนกันแต่ไม่มีแต่มันก็ไม่มีสิ่งใดจากระจ่างเฉมชัดออกไปได้ในแผนที่ซึ่งไม่ละเอียดนักฉบับนี้ผมคิดว่าที่เราพักอยู่เดี๋ยวนี้ควรจะเป็นบริเวณนี้นะครับพร้อมกับพูดอย่างระมัดระวังจอมพราน อ, อกปากาหมึกแห้งบนบางๆลงไปอย่างที่หมายอันว่างเปล่าตอนหนึ่งในแผนที่ ทยแยงมาเป็นมุมตะวันออกเฉียงเหนือ30ีกรีจากที่หมายเขาเกือกมาแต่ก็น่าแปลกที่ในแผนที่ฉบับนี้ไม่ได้ตั้งชื่อหรือระบุบอกเครื่องหรือระบุบอกที่หมายใดๆไว้นอกจากจะแสดงให้เห็นว่าเป็นขุนเขาและป่าหินทั้งๆที่ควรจะบอกถึงโอเอซิสนี้ด้วยบางทีอาจจะเป็นได้ในข้อที่ว่าระยะทางระหว่างนี้เป็นระยะ นอกเส้นทางแท้จริงเจ้าของรายแทงจริงให้แต่ที่หมายสำคัญสำคัญไวเท่านั้นไม่ได้ระบุไว้โดยละเอียดเอะยังไงกันดารินทวงโดยเร็วมองหน้าอย่างแปลกใจก็ที่เราใยหน้าเดินมาเพื่อจะหยุดพักที่นี่เนี่ยเรากำหนดที่หมายซึ่งรู้ล่วงหน้าไวก่อนแล้วไม่ใช่เลยคุณยังบอกฉันไว้เลยว่าเราค่ำวันนี้เราจะมาถึงแหล่งโอเอซิส และหยุดนอนกันที่นี่เป็นการกำหนดเส้นทางกันอย่างถูกต้องแม่นยำแลยนี่เส้นทางระยะนี้นะแง่าสายเป็นคนนำมาไม่ใช่ผมและที่ผมเรียนให้ทราบว่าโดยจะมาพบแหล่งโอเอซิสนั่นก็หมายความว่าแง่าสายเป็นคนกำหนดบอกไว้อีกทีหนึง่งไม่ใช่เดินมาตามที่หมายในแผนที่ฉบับนี้นะครับทุกคนหันขับไปทางจอมพระนจรเป็นตาเดียวแล้วทุโดงเข้าฝันบอกอีกตามเคยมะ เช ย, ยันพูดเบาๆแต่สีหน้าของเขาไม่เห็นเป็นเรื่องขบขันต่อไปนี่แน่ยแง่ทายแกก็มองเห็นแผนที่นี่อยู่พร้อมกับเราในขณะนี้แนละ้วและรู้อยู่แล้วว่าเรากำลังเดินอยู่ในระหว่างเส้นทางเขาเกือกมากับทะเลสาบมรณะเพราะฉะนั้นลองชี้ให้ดูได้ไหมว่าตรงที่เราพักนอนอยู่ขณะนี้เนะ่ะอยู่บริเวณไหนอย่างสงบและสารวมที่สุดตามสภาพ ทุกคนได้ยินเสียงลึกนั้นตอบมาว่าผมชื่อว่าผู้กองคำนวณระยะทางและวงที่หมายในแผนที่ฉบับนี้ไว้ถูกต้องนะผมเองก็แน่ใจครับว่าตรงที่ผู้กองวงแดงไว้คือแหล่งชุ่มชื่นที่เราหยุดพักอยู่ในขณะนี้ถ้าเป็นตรงที่ไพร์วันกำหนดในแผนที่จริงอ่ะมาเรีย ว, ว่าพลางเอานิวลาเปรียบเทียบกะวัดระยะทางให้ทุกคนดูมันก็น่าแปลกนะ มันก็น่าจะแปลว่าขณะนี้เราเดินกันมาได้ประมาณ 70% ็ดสิบเปอร์เซ็นตแล้วระหว่างเส้นทางเขาเกอกมากับทะเลสาบมรณะคงเหลืออีกเพียงส0มสิบเปอร์เซ็น์เท่านั้นจากที่เราหยุดอยู่นี่ถึงทะเลสาบใช่ไหมแง่ทรา ย, ายประโยคหลังหลอนหันไปถามปัญญาชนในคราบของคนดงแล้วมาเรียก็บอกกับตนเองว่าสีหน้าอันวางเฉยมึนซึมนั้นช่างปั้นหลอกลวงทุกสายตา ได้สนิทนักยามเมื่อรวมกลุ่มกันพร้อมหน้าเช่นนี้พิษกันไปคนละแววตาและสีหน้าของอักษรศาสตร์บัณฑิตผู้เคยต่อฝีปากลองคารมกหล่นยามเมื่ออยู่ด้วยกันสองต่อสองานี่กระไรแม่มสาวพยายามจ้องตาขณะที่พูดด้วยแต่เจ้ากระเรียงฉุมงามมืนห ล, ลบก่อนที่ใครจะจับพิรุธใดๆไ ด, ไ ด, ไ ด, ได้ก็ควรจะเป็นเช่นนั้นครับผมกะไว้ว่าก พรุ่งนี้ก่อนค่ำเล็กน้อยถ้าไม่มีอุปสรรคทำไม่ล่าช้าไปเราจะต้องถึงทะเลสาบมรณะผมได้บอกกับผู้กองไว้แล้วว่าในการคาดหมายชนิดนี้พรุ่งนี้ก่อนค่ำเชิาทวนคําช้าๆอย่างพอใจยกมือขึ้นรูปขางถ้าเป็นได้อย่างนั้นจริงก็จะดีไม่น้อยทีเดียวละพินคุณแน่ใจไหมว่าถ้าเราไปถึงทะเลสาบมรณะเมื่อไร ลายแทงฉบับนี้จะชี้ที่หมายในลำดับต่อไปให้แกเราได้อย่างชัดเจนครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไว้แล้วนะครับถ้าภูมิประเทศไม่เปลี่ยนแปลงจนเกินไปนักจากอำนาจแผ่นดินไหวแต่ก็คิดว่าคงไม่ถึงกับเปลี่ยนไปหมดเพราะเมื่อเรามาถึงที่นี่สังเกตดูร่องรอยความสั่นสะเทือนลดลงไปมากแล้วผิวดินไม่เสียหายปรวนแปร ไ, ไปจากสภาพเดิมของมันมากนักเมื่อห่างออกไปอีก ก็ควรจะสั่งซาลงไปทุกขณะลองประมาณดูซิแงซายจากแผนทีล่ลายแทงฉบับนี้พรุ่งนี้เส้นทางเดินของเราจะไปทางไหนบ้างดารินถามแงซายทอดสายตาลงไปบนแผ่นลายแทงที่กลางแผ่อยู่ตรงหน้าของทุกคนครู่หนึ่งก็หลับตานิ่งลกผมไม่แน่ใจว่าผมจะชี้เส้นทางเดินในแผนที่นี้ได้ถูกต้องเพียงใดนะครับ ผมรู้โดยสัญชาตญาณอย่างเดียวว่าจากจุดที่เราพักอยู่นี่จะรักษาแนวตะวันออกเฉียงเหนือไประยะหนึ่งก่อนต่อมาจึงมุ่งขึ้นเหนือในมุมตรงหนทางที่จะนำไปนั้นมันจะปรากฏเป็นภาพให้ผมเห็นและสามารถนำไปได้เป็นระยะระยะแต่ไม่สามารถจะบอกล่วงหน้าได้ชัดเจนนักจนกว่าจะได้เห็นด้วยตาตนเองเท่าที่จะผ่านไป แล้วเจ้าคนลึกลับก็ลืมตาขึ้นอีกครั้งชี้ลงไปยังจุดหนึ่งของแผนที่ใกล้เคียงกับบริเวณอันทุกคนรู้อยู่ว่าเป็นทะเลสาบมรณะแล้วถามระพินว่าลักษณะในลายแทงที่วาดเหมือนตัวนอนสองตัวเอาหัวชนกันเว้นช่องว่างตรงกลางเล็กน้อยตำแหน่งนี้ในลายแทงบอกไว้ว่าเป็นอะไรภายหลังจากพิจารณาอยู่ครู่ใหญ่โดยเปรียบเทียบกับรหัสคาแปลจอมพลานก็บอกว่า ช่องเขาแคบๆลักษณะเหมือนหุบอันเป็นทางเชื่อมในระหว่างแผ่นดินสองฝั่งโดยมีขุนเขาใหญ่กั้นเป็นทิวอยู่รอบทิศในลายแทงระบุตั้งชื่อไว้ว่าช่องเขาขัดถ้าเช่นนั้นก็น่าจะตรงกับภาพที่ผมคลับคลายคลับคลาว่าจะได้เห็นมาก่อนแล้วโดยนิมิตประหลาดด่านสุดท้ายก่อนที่เราจะถึงทะเลสาบมรณะจะต้องเดินผ่านช่องเขาหิน บริเวณแคบๆเหมือนมีใครมาตัดเทื้อเขาให้ขาดเป็นช่องไว้เมื่อผ่านช่องนี้ไปไม่ไกลนักทะเลสาบมรณะจะอยู่ทางด้านตะวันออกผู้กองจงหาตำแหน่งที่หมายในแผนที่ฉบับนี้ด้วยว่าอยู่ทางด้านตะวันออกของช่องเขาขาดจริงหรือไม่ดพินหมุนแผนลายแทงให้ตั้งแบเพื่อการดูในมุมที่ถนัดที่สุดของเขาและเอาเข็มทิศวางลงไปเทียบ เขาไม่จําเป็นจะต้องบอกกล่าวเช่นไรทั้งสิ้นเจฐาก็ชายันผู้มีอดีตเป็นนายทหารและเรียนในด้านแผนที่กับเข็มทิศมาช่ําชองแล้วก็สามารถบอกได้ทันทีว่าตำแหน่งทะเลสาบในลายแทงนั้นอยู่ทางด้านตะวันออกของช่องเขาขาดตรงตามที่แง่ทรายบอกไว้หมดทุกอย่างชัดเลยใช่แล้วล่ะแง่ทรา ย, ายอาดีตนายทหารปืนใหญ่ร้องออกมาอย่างตื่นเต้นเจฐาก็ยิ้มออกมาได้ มองหน้ารับพินกับเงยายสลับกันไปมาอย่างชื่นชมยินดีส่วนหมอดารินหัวเราะด้วยความดีใจฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าระหว่างคุณกับเงยายน่ะถ้าสามัคคีกลมเกลียวรวมสติปัญญารวมคุณสมบัติประจำตัวของแต่ละฝ่ายเข้าด้วยกันเท่านั้นอุปสรรคทั้งหลายมันก็จะลุล่วงไปด้วยดีที่สุดนี่เป็นอันว่าเราสตอพอได้แล้วนะว่าเส้นทางที่เราตัดมานี่ถูกต้องที่สุดแล้ว ไม่มีอะไรต้องห่วงอีกเลยว่ามันจะผิดพลาดไปเหมือนอย่างที่เราลังเลไม่แน่ใจในครั้งแรกหล่อนกล่าวเสียงใสเต็มด้วยความหวังที่แช่มชื่นและมีกำลังใจขึ้นอย่างมากมายแล้วแลไปทางแง่ทรายบอกว่าขอบใจมากนะแง่ทรายครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอให้ความร่วมมือกับผู้กองอย่างดีที่สุดขอให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปเถอะและตั้งแต่นี้เป็นต้นไปขอให้รู้ไว้ด้วยนะว่า เราไม่ต้องการแต่เฉพาะฝีมือตามหน้าที่ลูกหดัดหรือพรานของเธออย่างเดียวเท่านั้นแต่เราต้องการสติปัญญาและมันสมองของเธอด้วยเท่าเธอมีแง่ท า, ายนิ่งเงียบสีหน้าเจืินจางลงเล็กน้อยนายหญิงสรรเสริญยกย่องมาก็จริงแต่ทว่าก็แฝงไปด้วยอาการตำหนิอยู่ไกลไกลก็เห็นจะไม่มีปัญหาอะไรอีกแล้วลนะมั้ง สำหรับการที่จะเข้าให้ถูกเส้นทางในลายแทงซึ่งเราวิตกกันมาก่อนเพราะระหว่างแผนที่ของคุณกับความรู้สึกของแง่ทรายน่ะมันประสานกันได้อย่างสอดคล้องตรงกันหรืยังไงท่านหัวหน้าคณะพูดพร้อมกับเอื้อมมือมาตบไหล่เขาผมเองมีความหวังขึ้นมากครับจอมพลานตอบอย่างไค้รครวนแต่เวลาเท่านั้นที่จะตัดสินได้ว่าที่เราเข้าใจอย่างนี้น่ะถูกต้องหรือไม่ และทุกคนก็เข้าประจำที่นอนด้วยความอ่อนระหหยโรยแรงภายหลังเมื่อสูงฟืนเข้าไปในกองไฟจนลุกโชนเป็นกองใหญ่ต่างก็หลับไปโดยไม่รู้สึกตัวในเวลาอันรวดเร็วเพราะอากาศที่อบอุ่นกำลังสบายไม่หนาวทรมานนะักขณะกำลังหลับอย่างสนิทที่สุดรพินถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยความราคาญเพราะท่อนแขนของใครคนหนึ่งปายวัดขึ้นมาบนอกเขาค่อนข้างแรง ด้วยอาการลเมอไม่รู้สึกตนครั้งแรกเขาก็ไม่สนใจนักปัดแขนนั่นออกไปและพลิกตัวตะแคงหันหลังให้พอเคลิ้มจะหลับก็ถูกท่อนขาอันหนักอึ้งพาดโครมกายขึ้นมาบนสีข้างเข้าให้อีกพร้อมกับเสียงลเมออู้อีฟังไม่ได้สักพงกศีรษะขึ้นมองแล้วก็ถอนใจขื้งยอดชายนายชายันอีกตามเคยผู้ซึ่งมักจะละเมอพิเรนอยู่เสมอทุกครั้ง ที่เขาหลวมตัวไปนอนใกล้เขารพินขยับตัวลุกขึ้นตั้งใจจะถอยออกมานอนให้ห่างแต่แล้วบัตรนั้นเองก็รู้สึกคล้ายๆแผ่นดินที่นอนอยู่จะสั่นไหวคึกครั้งแรกก็คิดว่าจะเกิดจากประสาทหลอนหรืออุปทานเพราะอำนาจความอ่อนเพลียและจิตใจซึ่งไม่ปกตินักแต่แล้วพอจะเลิกคิดมันซะ ก็ปรากฏว่ามันสั่นขึ้นอีกครั้งหนงึ่งคลานใหญ่ผู้กำลังอยู่ในลักษณะคลานสี่เท้าเพื่อจะเคลื่อนย้ายตัวเองหนีคนนอนสนเปิดตาทั้งสองสว่างโพลงขึ้นในทันทีพร้อมกับทุกขุนข้นที่ลุกชันขึ้นทั้งตัวเหลียวมองไปรอบผู้ร่วมคณะทุกคนกำลังนอนสงบนิ่งยังปราศจากความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นพอหันไปอีกด้านหนึง่งทางฝากตรงข้าม โดยมีกองไฟอันเริ่มจะรีโรยโลงคันอยู่ตรงกลางก็เห็นแง่ทรายนอนคว่าพังภาพเอาหูนาบลงไปกับพื้นดินลักษณะไม่ใช่นอนหลับแต่เป็นการจับรหัสอะไรสักอย่างที่จะสั่นมาตามพื้นดินเจอพรานลุกขึ้นในพริบตาปราดเข้าถึงตัวแง่ทรายชันคอขึ้นตาทั้งสองฝ่ายประสานกันนี่ผมฟังอยู่พักใจแล้วครับ แง่ใสกระซิบเบาที่สุดตาทั้งคู่เป็นประกายวาวแสงไฟริบรีในกองส่องกระทบผิวหน้าแลเห็นเผือดโพลุกพวกเราขึ้นเถอะครับกําลังจะย่องเข้ามาในป่าทางด้านเดียวกับที่มันเข้าและออกเมื่อตอนบ่ายนี้แต่คราวนี้มันแปลกที่สุดเพราะค่อยๆ ย, ย่องเข้ามาเหมือนเสือไม่ทันจะขาดเสียงของแง่า ย, สายเสียงป่าไม้รอบนอกก็หักลั่นเบาๆ พร้อมๆกับกลิ่นสางเนา่าๆที่พัดมาจากด้านเหนือลมกระพินไรวันแยกไปปลุกกลุ่มนายจ้างของเขาส่วนแง่ทรายก็ปลุกกลุ่มพรานพื้นเมืองคนเหล่านั้นตื่นขึ้นมาด้วยอาการอันฉับไฟและพร้อมต่อทุกสถานการณ์ด้วยความเคยชินแม้จะยังไม่เข้าใจถึงสาเหตุนักว่าเกิดอะไรขึ้นทำนองใดเพียงแต่รู้สึกได้แน่ว่ามันได้เกิดความผิดปกติฉุกเฉินขึ้นแล้ว นักกลุ่มของพรานพื้นเมืองก็ดูเหมือนจะสำเนียกต่อลักษณะของภัยที่กำลังคืบคลานใกล้เข้ามาได้มากกว่าฝ่ายของนายจ้างต่างช่วยกันโยนฟืนสุ่มกองไฟที่กำลังรีโรยจะมอดดับให้ลุกโชนสว่างสวัยขึ้นมาทันทีการเคลื่อนไหวของทุกคนเต็มไปได้วยความว่องไวฉับพลันต่อเหตุการณ์ไม่มีใครเงอะ ง, งะเซ้อซ่าอยู่เท่าเท่ากับไม่เอะอะกระโตกกระตากใดใดทั้งสิ้น แม้ว่าสีหน้าอาการของคนเหล่านั้นจะแสดงให้เห็นชัดถึงความตื่นเต้นยากที่จะระนับเชษาลุกขึ้นมานั่งเหยียดขาไราเฟิลประจำมือและไฟฉายพร้อมเขายังไม่ซักถามอะไรระพินเช่นกันและทันทีที่ลืมตาขึ้นด้วยการเขย่าปลุกเบาๆที่ปลายเท้าผู้ปลุกอันเป็นคนเดียวกับพรานใหญ่ก็ไม่ได้บอกอะไรกับเขามากไปกว่าวานให้ช่วยปลุกคณะคนต่อไป ที่นอนเรียงรายอยู่ข้างๆ ข, ข, ขึ้นมาด้วยตนเองนั้นผละไปสั่งการอะไรซุบซิบอยู่กับกลุ่มพรานพื้นเมืองและช่วยกันขนฟืนโยนเข้ากองไฟอยู่เป็นพลาวันแข่งกับเวลาชายันดารินและมาเรียบัดนี้ก็เงียบกริบมองไปรอบๆแคมป์พยายามจะใช้ความสังเกตด้วยตนเองโดยไม่ปริปากถามอย่างไม่จาเป็นขณะนั้นลมพัดย้อนจากทิใต้ ไปทางทิศเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในละแวกรอบที่พักทั้งใกล้และไกลออกไปเงียบกริบ ป, ปราศจากสิ่งใดกระตกกระตากแววมาสู่การจับฟังเสียงของทุกคนที่เพิ่งจะรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาทีหลังทําให้คาดคะเนสิ่งใดไม่ถูกทั้งสิ้นสิ่งที่ฝ่ายนายจ้างจับสังเกตมองอยู่ในขณะนี้ก็คือสั่งปาเลขาญินซึ่งชํานาญในการฟังเสียงจากพื้นดินมากที่สุด กำลังแยกกันนอนเอาหูหน้าพื้นมาเรียก็ผุดลุกขึ้นในทันทีนั้นปาดตรงเข้าไปที่คนของหล่อนดารินก็นชัยยันขยับจะลุกตามแต่ท่านหัวหน้าคณะคว้าแขนไว้เฉยๆอยู่เดี๋ยวนี้แหละประเดี๋ยวก็รู้เองว่าอะไรเป็นอะไรนี่เขาจะไม่บอกเราบ้างเชิวเหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นดารินอดรนทนอยู่ต่อไปไม่ได้ พี่เองก็ยังเดาไม่ถูกเหมือนกันรพินปลุกพี่ขึ้นเงียบๆแล้ววานให้ช่วยปลุกพวกเธอต่อแต่เขาก็ยังไม่บอกอะไรเหมือนกันกลักไปสั่งการอะไรกับคนของเขาอยู่นั่นรูปการมันไม่สู่จะดีนักนะอย่างไรก็ตามเราไม่ควรจะแสดงความตื่นเต้นอะไรนะักแตาถ้ายไม่ผิดไอ้บอสนั่นแน่ใช้ ย, ยันบังคับเสียงไ ม, ม่ให้สัน่นมือทั้งสองตําดับเบิลไรเฟิลคู่มือแน่น ใจเต้นแรงไทแรนตัวนั้นน่ะเหรอดารินถามก็จะมีอะไรอีกเล่านอกจากไอ้ยักษ์คู่เวรคู่กรรมของพวกเรานั่นแหละไม่เห็นเหรอเงาสายลองสายธนูอยู่นั่นไปแหลกกันไปข้างหนึ่งล้วัะคืนนี้แต่ให้ตายเราเสียเปรียบมันแน่เวลากลางคืนมืดมืดและไม่มีที่อาศัยหลบกำบังเลยแบบนี้แต่ยักษ์ไทแรนตัวนั้นทาไมเราถึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยล่ะ ก็ตามปกติถ้ามันใกล้เข้ามาแล้วก็แผ่นดินไหวยังไงยังงั้นทีเดียวนักมานุษยวิทยาเต็ไม ไ, ได้ความสงสัยแล้วก่อนที่ทั้งสามจะเอ่ยคำใดกันต่อไปนั่นเองพรานใหญ่แงทร า, ายและบุญคำก็เดินตรงเข้ามาอีกครั้งโดยเร็วจอมพรานยิ้มให้กลุ่มนายจ้างของเขาอย่างปลุกปลอบใจและทำสถานการณ์ให้เป็นเรื่องธรรมดาที่สุดแปลกไปกว่าทุกครั้งครับคราวนี้มันย่องกริบ ราวกับแมวขมโมยงั่นแหละแต่ถึงยังไงน้ําหนักตัวก็ไม่สามารถทําให้มันซ่อนการเคลื่อนไหวอย่างใดทั้งสิน้นตอนนี้มันกําลังจุดจดจ้องจ้จะหาทางเข้าป่าปามทางด้านเหนือของแอ่งน้ําครับก็ทั้งเดียวกับที่มันเข้าออกเมื่อตอนบ่ายนี่แหละตอนนี้มันหยุดชะงักเหมือนจะลังเลหรือหาลู่ทางที่มันเห็นวัสดุและเคลื่อนมาได้เงียบที่สุดครับแม้จะเฉลียวคิดเดากันได้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งชัยันและดารินก็ยังเย็นวูบจากเส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าเมื่อได้ยินคำบอกเล่าเรียบๆ เ, เช่นนั้นส่วนเชษฐามันคงเยือกเย็นอยู่เหมือนเดิมใช่มันแน่เหรอผมไม่ผิดหรอครับคุณชายผมได้ยินเสียงมันค่อยๆเคลื่อนมาตามพื้นดินนอกบริเวณป่าปามแงาซายก็ตื่นและจับเสียงอยู่ก่อนผมแล้วคุณได้ยินเสียงผิดปกติอย่างว่านี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ ก็ประมาณไม่เกินห้านาทีก่อนที่ผมจะปลุกคุณชายขึ้นมาไม่ทันขาดเสียงระพินทุกสดประสาทที่เปิดพร้อมอยู่ในขณะนั้นก็ได้ยินเหมือนกันหมดเป็นเสียงไม้ขนาดใหญ่หักพวลในความเงียบเช่นนี้เสียงมันดังถนัดชัดเจนเหลือเกินจากนั้นก็สงบงันไปอีกอย่างมีเลสไนทุกคนฝ่ายนายจ้างและพลานพื้นเมืองต่างหันมองหน้ากันอยู่ไปมา มาเรียกับสังป่าซึ่งออกไปจับเสียงอยู่อีกด้านหนึ่งก็เพนกลับเข้ามาสมทบตัดสินใจเร็วเถอะมันเอาเราแน่กำลังย่องใต่เข้ามาแล้วฉันคิดว่าอยู่ในระหว่างชายป่าปามรอบนอกนะแมมสาวบอกเร็วหรือถอยจากที่เข้ายึดป่าหินด้วยยังไงชยันถามผุดลุกขึ้นยืนหักหางเยี่ยวไรเฟิลดูกระสุนทั้งสองนัดที่บรรจุประจาอยู่ในลากล้องท้งซ้ายขวา เพื่อความแน่ใจที่สุดไม่ได้ครับห่างกองไฟเมื่อไหร่เราจะเสียเปรียบมันเมื่อนั้นครับพรานใหญ่บอกวิธีเดียวที่เราจะปลอดภัยในขณะนี้ก็คือยึดกองไฟนี่ไว้และถ้าฉุกเฉินขีดสุดมาถึงให้ถือดุนฟื้นติดไฟไว้ในมือคนละดุนมันจะไม่กล้าชะโงกหัวรามาเล่นงานครับทุกคนเพิ่อจะเห็นจริงและคิดขึ้นมาได้ตามคาของเขา ต่งเคลื่อนย้ายเพื่อหลบปลีกหรือตั้งรับภายในบริเวณป่าหินย่อมจะหาประโยชน์อันใดไม่ได้เลยในเมื่อมีไฟอยู่ใกล้มือแล้วเช่นนี้เพราะต่างก็เคยเห็นชัดกับตาแล้วว่าไฟเป็นเกราะป้องกันตัวได้อย่างดีที่สุดจากเจ้าไดาโนเสาร์พันดุร้ายตนนั้นแล้วนี่จะเอาอยัางไงกันย้ปักหลักรอคอยให้มันเดินเข้ามาหาเราอย่างนั้นหรือชยันพูดอย่างลิ้นรัวต่อไป ผมต้องการให้ทุกคนยึดที่มัน่นเตรียมพร้อมอยู่ที่นี่ส่วนผมกับแง่ทรายไม่ทันที่เขาจะพูดจบประโยคเชถาก็ขัดขึ้นอย่างกระทันหันว่าไม่เหมาะเสียงเกินไปแต่สำหรับผมกับแง่ทรายเนะี่ยไม่ว่าจะรออยู่ที่นี่หรือเดินซุ่มเข้าไปหามันก็เสียงเท่ากันทั้งสิ้นนะครับผมสองคนจะพยายามแฝงตัวเข้าไปให้ใกล้มันที่สุดและจัดการกับมันให้เด็ดขาดซะเลยคืนนี้ แต่อย่าลืมนะว่ามันเป็นเวลากลางคืนนะเนี่ยสายตาของคุณกัะแง่ทายมนาะสู้มันไม่ได้หรอกดารินท่วงอย่างเป็นห่วงมาอีกคนหนึ่งเราอาจเห็นในความมืดไม่ดีเท่ามันนะนายหญิงแง่ทรายตอบแทนพรานใหญ่เป็นคำแรกแต่จมูกกับหูของเราดีกว่ามันครับตัวเราก็เล็กกว่ามันมากอีกอย่างนนในระหว่างผมกับพรานใหญ่ความมืดในป่าดงพงไพรนะไม่เป็นอุปสรรคมากนะัก เรามีสัญชาตญาณที่จะคลำไปได้และมีความชำนาญพอที่จะค้นหามันได้ก่อนที่มันจะเห็นเราแค่สองคนเท่านั้นเหรอชยันย้ำถามครับยิ่งมากคนเท่าไหร่ก็ยิ่งเสี่ยงเท่านั้นอีกอย่างหนึง่งการจะเข้าไปยิงมันด้วยธนูติดระเบิดต้องการคนเพียงสองคนคือผมกับแง่สายเท่านั้นคนอื่นที่ไปด้วยจะไม่ช่วยอะไรได้เลย กลับยิ่งทำให้ห่วงหน้าพวงหลังตกลงเอาก็เอาแล้วพี่แต่ถ้าเห็นทาไม่ดีนะถอยกลับมารวมกับพวกเราที่นี่ก่อนนะอย่าแยกไปทางอื่นนะแล้วทางด้านผมเราจะให้ทำยังไงบ้างก็เตรียมพร้อมอยู่ข้างกองไฟนี่แหละครับถ้ามันใกล้เข้ามาก็จะได้ยินเสียงเองเพราะถึงมันจะย่องให้เบาสักเพียงไหนมันก็ไม่มีทางจะเงียบได้ป่าแวนล้อมแคมเรานรกพอสมควร มันจะต้องมีเสียงหักเป็นพายุมาทีเดียวกว่ามันจะเข้าถึงจบคำอย่างกระทันหันพานใหญ่ตบไหล่คู่ขาของเขาโดยแรงแล้วออกเดิอนอย่างรวดเร็วปัดออกจากแทมหายไปในความมืดในพริบตาแงายคว้าคันธนูกับกระบอกศรติดหลังไปด้วยความคล่องแคล่วปราดเปรียวทันกันก่อนที่รับร่างของดากนที่จะรับร่างของแงา ย, ายดารินร้องไล่หลังมาว่า ถ้ายังไม่มีโอกาสจะฆ่ามันได้ถนัดยิ่งระเบิดส ก, กัดเป็นการขับไล่มันไปก่อนก็ได้นะไม่ต้องพะวงว่าจะต้องเอามันให้อยู่ในคืนนี้นะจอมพระเนจรเอี้ยวคอมารับทราบนิดหนึ่งก่อนจะหายไปในเงามืดเฉฐาชายยันและมาเรียก็เห็นด้วยกับความคิดของหมอดารินที่ตะโกนสั่งความแงซายไปนั่นคืออย่างน้อยที่สุด แม้ทั้งสองจะยังไม่มีโอกาสยิงธนูสังหารเจ้าไทรรนโนซอรัสมหาการนั้นลงได้แต่ให้ยิงสกัดเป็นการขับไล่มันออกไปก่อนสำหรับคืนนี้ก็ยังดีเพราะอย่างน้อยอนุภาพของระเบิดแม้จะไม่ถูกอย่างจังแต่ถ้าระเบิดขึ้นใกล้เคียงตัวมันก็น่าจะทำให้มันต้องพังงะหลังถอยร่นและหนีไปชั่วคราวก่อนไม่มาคอยซุ่มและย่องเข้ามาราวกับแมวหมายย่องหนู อยู่ในขณะนี้เมื่อทั้งสองลับตาเฉถาก็เรียกประชุมทุกคนให้เข้ามารวมกลุ่มกันอยู่ริมกองไฟตัดเตือนซักซ้อมให้เป็นที่เข้าใจว่าทุกคนจะต้องปฏิบัติเช่นไรบ้างเมื่อเหตุทับขันขีดสุดมาถึงแล้วก็เร่งให้ขนฟืนเข้าใส่กองไฟเพิ่มเติมตามเข้าไปอีกจนเป็นกองโตสว่างสวัยไปทั่วบริเวณพร้อมกับม่านควันขมงจากนั้น ทุกคนก็ถือไฟฉายกับปืนพร้อมยืนเรียงรายรอบกองไฟเงี่ยหูคอยสดับรับฟังเสียงที่จะแววมาให้ได้ยินต่อไปมาเรียเจราจาภาษาพม่าเร็วปรีสอยกสางปาและต่อมาทุกคนก็เห็นแมวสาว ก, กับทาดคู่ชีพชาวตองสู่พากันเดินออกไปริมบริเวณที่พักตอนหนึ่งสางปาทิ้งตัวลงนอนใช้หูแทนโซนาจับฟังเสียงกับแผ่นดินอีกครั้ง ขณะที่นายสาวของมันนั่งคุกเข่าคอยซักถามอยู่ใกล้ๆเฉฐาชายันและดารินเห็นดังนั้นจึงพากันเดินตามเข้ามาคอยฟังรายงานอยู่ด้วยพักใหญ่ท่ามกลางความเงียบสงบปราศจากสับผสมเนียงกระโตกกระตากใดๆทั้งสิน้นเจ้าสางปลาผู้เอาหูแนบแผ่นดินอยู่ตลอดเวลาก็เงยหน้าขึ้นยิงฟันสางปลาจับเสียงอะไรไม่ได้เลย ไม่ได้ยินเสียงครานใหญ่เงาทรายหรือไอ้ยักษ์ตัวนั้นได้ยินแต่เสียงท้องของสั่งปาเองลั่นครกครกนั่นคือสิ่งที่มาเรียแ ป, แปลถ่ายทอดออกมาให้อีกสามคนฟังแล้วหลอนก็หันไปสะบดดาพุ่มตบชาดเข้าไปที่ต้นคอของคนใช้คู่ชีพหัวขมาลงไปทิ่พื้นแม้จะอยู่ในภาวะหน้าสิวหน้าขวานทั้งเชษฐาชัยยันและดาริน ก็ยังอดหัวเราะออกมาไม่ได้พากันทายหัวดิกมองดูไอ้ขียาผู้หน้าตายอย่างทั้งฉิวทั้งขันโธเอ้ยไอ้บากันช้ยนี่มันหลอกให้เรามานั่งล้อมวงดูมันแท้มันหน้าวัดเข้าให้สักพลักชัยยันบนขณะนั้นเองบุญคำก็ปาดตรงเข้ามาสมทบพอเห็นหน้าตาพรานเท่าคู่อริซึ่งมักจะใช้วิธีข่มขู่พูดคำเตะคาอยู่ตลอดเวลา ลูกศิษย์หัวแก้วหูวแหวนของมาเรียก็รีบเอาหูฟังกับพื้นอีกโดยเร็วไม่กล้าเล่นลูกไม้ตลกหน้าตายอะไรอีกเพราะเข็ดเขี่ยวตาบุญคำว่าไงสางป้าข้ากับขยินฟังดูแล้วไม่ได้วีแววอะไรสักอย่างนี่จะมาอาศัยหูเองอ่ะแกร้องถามมาเบาๆได้ผลอย่างยิ่งเจ้าตองสูงไม่กล้าถลไยถลืกใดๆอีกเพราะรู้มือกันอยู่เอาหูนาบดินฟังอย่างตั้งอกตั้งใจ แต่ก็ดูเหมือนจะไม่จำเป็นใส่แล้วสำหรับวิธีฟังแบบถามแม่พระธรณีของมันเพราะทุกคนแววเสียงแผ่นดินลั่นขึ้นอย่างถนัดชัดเจนอีกครั้งมันเคลื่อนตัวแล้วสางปลาเงยหน้าขึ้นพูดตื่นตื่นปี่โท่ไอ้ด้วนไม่ต้องอาศัยที่ประยโสโตรของเองก็ได้ข่ารึใคใครก็ได้ยินกันหมดทุกคนอยู่นี่บุญคาว่าแต่เท่าจะอวดดีสิทุกคนได้ยินว่ามันเริ่มเคลื่อนตัว แต่รู้หรือไม่ว่ามันเคลื่อนเข้ามาหรือเคลื่อนห่างออกไปก็แล้วเองฟังว่ายังไงล่ะมันถอยออกฟังนะ่ะมันถอยออกไปทีละก้าวพยายามให้เบาเหมือนเมื่อขาที่เคลื่อนเข้ามามันกําลังถอยไม่ทันสิ้นคําพูดของเจ้าตองสุก็มีเสียงหินเคลื่อนไหวกลิ้งไปกับพื้นเหมือนถูกพลังมห ah าสารปะทชนทุกคนมองหน้ากันอย่างประหลาดใจ ภายหลังจากมาเรียถ่ายทอดภาษาพูดระวังบุญคำกับคนของหล่อนให้อีกสามคนทราบดารินก็หน้าตื่นถามมันให้แน่สิเมยักษ์มันกำลังจะย่องเข้ามายังที่พักของเราหรือไม่ไม่ใช่เหรอทำไมถึงได้บอกว่ามันถอยออกไปแต่สางปายืนยันจากที่มันจับฟังเสียงเช่นนั้นนะมันบอกว่าเจ้าไทรั่นตัวนั้นกาลังเดินถอยหลังพ้นจากบริเวณป่าตามนี่ออกไปแล้ว และกำลังถอยเข้าสู่ป่าหินด้านที่มันโผล่มาเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นชัยยันอุทานลืมตาโตสังปาก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่าไอ้ยักษ์น่ะกำลังถอยแล้วมันล่วงล้ำเข้ามาในบริเวณโอเอซิสนี่เพียงชายขอบเท่านั้นตอนนี้มันถอยกลับออกทางเดิมแนละ้วมาเรียบอกเร็วหรือหน้าตาของหล่อนก็ตื่นงงไม่เข้าใจต่อเหตุการณ์เช่นกัน และความจริงก็ปรากฏกับหูของทุกคนที่สงบใจฟังอยู่ด้วยความร้อนรุ่มกระวนกระวายเสียงของการเคลื่อนไหวร่างกายอันใหญ่โตนั้นดังให้ได้ยินอยู่เป็นระยะแต่เป็นการดังที่ห่างออกไปเป็นลำดับจนกระทั่งในที่สุดก็เงียบหายไปในความส ง, งัดของราตรีชนิดที่ไม่อาจทำนายสิ่งใดได้เอ๊ะน่าแปลกไม่น่าเชื่อเลยทาไมมันถึงถอย หหน้าคณะพึงทมขมวดคิ้วเงี่ยหูฟังก็ถามลูกศิษย์ของคุณดูสิเมมันได้ยินวิแววอะไรของรพินกับแงสายบ้างไหมส่างตาบอกว่าจับสิงใดๆของสองคนนั้นไม่ได้เลยขนาดเสียงมดเดินส่างตายังได้ยินถ้าตั้งใจฟังแต่รพินกับแง่สายนะเดินเบากว่ามดหรือมันจะรู้ว่าสองคนนั้นเตรียมเล่นงานอยู่ก็เลยถอย ดาริณึกเดาเหตุการณ์ไม่น่าจะเป็นไปได้ในข้อนี้นะชัยยันว่าตามปกติแล้วเท่าที่เราเห็นมาไอ้ยักษ์ไทรั่นนั้นถ้าเห็นด้วยได้กลิ่นพวกเราเข้าเมื่อไหร่มันไม่เคยลังเลแม้แต่สักครั้งจะบุกเขาเล่นงานซึ่งซึ่งหน้าทันทีเพราะมันรู้ตัวเองว่ามันคือเจ้าพิพพไม่เคยเกรงกลัวศัตรูอันมีชีวิตใดๆมาก่อนเลยมันถือว่าตัวมันใหญ่ จะต้องชนะเสมอมันไม่สนใจหรอกว่าเรารู้ตัวและเต ร, รียมรับมือมันอยู่มันย่องเข้ามาหาเราอย่างหิวจัดอยากจะได้พวกเราทุกคนเป็นเหยื่อมากกว่าแผนการอื่นใดทั้งสิ้นถ้ามันถอยกลับออกไปจริงก็น่าจะมีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นละ่ะมาเรียชี้ไปที่กองไฟอันกําลังลุกโชนช่วงส่งควันขมงนถ้างั้นก็อาจเป็นพราะควันควายนั่ น, นะละมะั้ง ลมพัดจากทางด้านเราไปหามันด้วยพอกระสาเขากะควันควายก็เลยทำให้มันถอยหนีไปทั้งหมดนึกขึ้นมาได้ตามคำพูดของแม่นสาวอาจเป็นได้นะแล้วแานใหญ่กับเงยายล่ะเขาจะกลับเขาจะเอายังไงต่อไปความจริงถ้ารู้แน่ว่ามันถอยไปแล้วก็ควรจะกลับไม่ควรตามมันออกไปให้พ้นบริเวณป่าตามนี่ดารินเริ่มกังวลใหม่ขึ้นมาอีก แล้วก็ไม่มีใครสามารถเดาหรือให้ความเห็นเป็นการอ่านใจของบุคคลทั้งสองให้หลอนทราบได้ทางกลางความเงียบงันของราตรีแฝงเลสันที่ครอบคลุมอยู่นี้ช้ ย, ยันกา ม, มาเรียก็เริ่มกระสับกระส่ายมีความคิดตรงกับดารินว่าทั้งรพินและงแง่รายควรจะกลับมากกว่าที่จะมุ่งติดตามมันออกไปในกรณีที่ไอยักษ์แผลถอยแล้วเช่นนี้เวลาร่วงผ่านไปอีกพัก ยังไม่มีอะไรกระโตกกระตากเหมือนเดิมยิ่งเนิ่นนานออกไปเท่าใดทางฝ่ายพวกพ้องที่รอค่าวฟัรอคอยฟังข่าวกันอยู่ในแคมป์ก็ยิ่งกระวนกระวายใจเพิ่มขึ้นทุกขณะเชษฐาเลิกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูขณะนั้นเป็นเวลาสองนาฬิกากับ45หนาทีทั้งรพินและแงซายย่องออกจากแคมป์เพื่อจะมุ่งหน้าเข้าหาเจ้าสัตว์ใหญ่ยักษ์ุกโลกลานปี อันเป็นศัตรูคู่แค้นที่ติดตามจองล้างคณะเดินทางทั้งหมดมาตลอดเวลาเป็นเวลาถึงสี่สิบห้านาทีแล้วมันนานผิดปกติเออยังไงซะแล้วท่านทูตทหารบกรารบขึ้นเป็นคำแรกภายหลังจากไม่อาจนิ่งใจเย็นอยู่อีกต่อไปได้ตานนี้น่าจะกลับได้นะถ้าไม่บ้าระหำตามันออกไปจนพ้นบริเวณที่นี่สองคนนั้นลงถ้าจับคู่กันได้แบบนี้ ไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังถึงไหนถึงกันทีเดียวสังเกตดูท่ารพินก่อนที่จะพลักไปเมื่อกี้เขามุ่งมั่นมากทีเดียวที่จะเอามันให้อยู่มือคืนนี้ให้ได้ถ้างั้นจะเอาไงดีครับพี่ใหญ่น้อยอยากให้ใครออกไปตามหรือไม่ก็หาทางส่งสัญญาณอะไรสักอย่างนึกเรียกตัวสองคนนั่นกลับดารินพูดขึ้นโดยเร็วทั้งสี่คนมองหน้ากันไปมาเชษฐาเม้มริมฝีปากแน่น ชยยันก็หันขับไปทางบุญคำซึ่งยืนหน้าเป็นทุกข์อยู่บุญคำกับขยินสองคนนะพอจะไปตามได้ไม่ใช่เหรอได้นายทหารบุญคำรีบรับคำโดยเร็วแล้วหันไปส่งภาษาเร็วปรือกับขยินพลางหันมารายงานอีกครั้งไอขยินมันก็อยากจะออกไปตามไปขัดอยู่ที่ก่อนไปนะ่ะพรานใหญ่สั่งไว้เด็ดขาดไม่ให้พวกเราออกจากปางพับแต่ถ้าเจ้านายเห็นว่าไม่จมเห็นว่าจาเป็นสั่งให้ไปตาม บุญคำกับขยิ่นก็จะไปเดี๋ยวนี้บุญคำกับขยิ่นแกะรอยในเวลากลางคืนได้เหมือนกับพรานใหญ่และแงาทรายเหมือนกันพวกเจ้านายไม่ต้องเป็นห่วงแล้วถ้าเกิดจวนตัวขึ้นเราสองคนก็เอาตัวรอดได้เชิดขาช่างใจสองคนคิดยังไงบ้า น, นี้พรานใหญ่กับเงาทรายทําไมยังไม่กลับบุญคำว่าพรานใหญ่กับเงาทรายตามไอ้ยักษ์นั่นออกไปแน่ๆไม่งั้นก็ควรกลับได้แล้ว ถ้าเป็นบุญคำนะหากมันถอยไปแล้วอย่างงี้บุญคำจะไม่ตามออกไปเป็นนันขาดเวลาข้างหน้ายังมีกลางคืนนะถึงยังไงเราก็เสียเปรียบมาอยู่วันอย่างคำํำตกลงออกไปตามเดี๋ยวนี้ระวังตัวให้ดีที่สุดนะท่านหัวหน้าคณะตัดสินใจบุญคำกับขยินก็รีบรุดออกจากบริเวณปางพักหายไปโดยเร็วอีกพักใหญ่ในการรอฟังข่าวอันร้อนรุ่มของคณะ ทุกคนต่างแววเสียงฝีเท้าหลายคู่ยำ่ำใกล้เข้ามาพร้อมกับเสียงพูดอะไรกันอย่างเร่งร้อนฟังไม่ได้สับแล้วก็มีลำไฟฉายกราดวอบแว บ, บนําหน้าเข้ามากอดทั้งหมดพุดลุกขึ้นยืนปราดออกไปดักรอรับทันทีแล้วก็พบกับความประหลาดใจระคนตื่นตระหนกยิ่งขึ้นเมื่อไรเห็นแง่ทรายกับขยินช่วยกันประคองขี้วปีกระพินมาคนละด้านโดยมีตาบุญคําเดินตามกระชั้นชิดเข้ามาเบื้องหลังกระพิน ทุกคนร้องขึ้นเป็นเสียงเดียวอย่างตกใจถลันปราดออกไปทันทีตรงเข้ารุมล้อมซักถานแซดฟังไม่ได้สัตว์เป็นเวลาเดียวกับที่แงาทายและขยินช่วยกันประคองกึ่งกลา้ากึง่งกึ่งอุ้มเลี้วมาถึงกองไฟใหญ่ที่ก่อไว้ตรงกลางแล้ววางร่างนั้นลงไปกับพื้นเกิดอะไรขึ้นแพนใหญ่โดนอะไรเชีย่ยวาพูดเสียงดังลั่นเกือบจะเป็นตะโกนทุกคนจ้องร่างอันเขียวซีบสันเทิมเป็นเจ้าข้าวนั้นเป็นตาเดียว กรูเข้ามาล้อมแน่นดารินนั้นยืนตะลึงไปชั่วขณะเพราะความประนกมอกสันทำอะไรไม่ถูกในภาพที่เห็นรพินพยายามจะลุกขึ้นมานั่งริมฝีปากอันสันระริกนั้นเพเยอขึ้นเหมือนจะพูดอะไรออกมาแต่ไม่มีใครจับกระแสะความได้ถนัดทันใดนั้นเสียงเห้าหฮาของแงาายก็รายงานมาว่าผู้กองจับไข่สันขึ้นอย่างกระทันหันในระหว่างตามอายักษ์ล่วงเข้าป่าหินครับ มันเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนเหลือเกินกว่าผมจะรู้สึกตัวเขาก็ลงไปนั่งสั่นกับพื้นแม้แต่ปืนก็ยังถือไม่ไหวตัวร้อนราวกับไฟผมเองก็ทําอะไรไม่ถูกนอกจากพยายามแก้ไขช่วยนอกจากพยายามแก้ไขช่วยเหลือเขาพอดีกระลุงคํากับขยินตามไปจึงช่วยกันแบกกลับมา <iz> เมื่อ น, นั้นเองทุกคนจึงทราบว่าอะไรเป็นอะไรและดารินก็พลันได้สติ ข, ขึ้นมาในทันที ทลันปราดแหวกวงล้อมของพรานพื้นเมืองเข้ามาแน่ใจนะเงยทายว่าผู้กองเพียงแค่เกิดไข้จับสันขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นโดยไม่ได้ถูกของอื่นใดที่เป็นอันตรายเป็นต้นวางงูหรือมแมลงและไม้มีพิษแน่ใจสิไหนหญิงผู้กองไม่ได้เดินพิษอะไรทั้งสิ่งเขาเกิดอาการหนาวสั่นขึ้นเองเสียงรำแซดไปในหมู่ของคณะทุกคนเมื่อได้ยินคําตอบอันถนัดชัดเจนของแงยาย แต่ถึงยังไงสภาพของคนทั้งหมดก็เต็มไปได้วยความชุลมุนแม้จะใจชื้นขึ้นมาบ้างก็าตามหมอดารินสุดตัวลงตรงหน้าของคนที่กำลังห่อตัวสันเป็นลูกนกเขย่าไหล่ก้มลงถามว่าโรคเก่าใช่ไหมระพินคนถูกถามไม่ตอบหรือมิฉะนั้นก็คงอ้าปากเป็นคำพูดไม่ได้ได้แต่พยักหน้าดวงตาทั้งสองแดงกัมหน้าซีดเืดดารินจับดูที่หน้าผากและซอกคอ แล้วถอนใจออกมาเบาๆอย่างโล่ง อ, อกไปได้ครึ่งหนึ่งยิ้มให้อย่างเอ็นดูระคนสังเวชใจแล้วเงยขึ้นบอกกับพักพวกทุกคนที่รายล้อมหน้าตาตื่นอยู่ในขณะนี้ว่าไม่เป็นไรหรอกใครจับสันเรือรังของเานาแหละช่วยกันเร็วหน่อยเมไปเอาหีบวชชัพันของฉันทีส่วนชายยันไปเอาแบงเกอรผืนใหญ่มาเราจะเข้านอนอยู่ข้างกองไฟนี่แหละมาเรียกชายยันเพนเออกไปอย่างว่องไว ครูเดียวต่างก็กลับมาพร้อมกับสิ่งที่หมอดารินต้องการทุกคนช่วยกันกุลีกูจอจัดการปูผ้าใบลงกับพื้นริมกองไฟประคองพรานใหญ่ซึ่งบัดนี้กลายเป็นคนพิการไปช่วขณะซะแล้วด้วยมาลาเรียสหายเก่าอันเป็นจุดอ่อนประจำตัวให้ลงนอนแล้วเอาผ้าโฮมทบหลายชั้นคลุมไว้แพทย์สาวประจำคณะผู้เคยเห็นเคยพบและเคยชินมาก่อน กับอาการเจ็บไข้ได้ป่วยชนิดนี้ของเขาก็ดำเนินการเยียวยาตามถนัดของหลอนไม่เป็นการยุ่งยากหนักอกหนั ก, นกใจอะไรสำหรับหลอนนักในเมื่อคนป่วยตกอยู่ในมือของหลอนระหว่างที่เครื่องมือครบถ้วนพร้อมมูลและพร้อมหน้าหมู่คณะเช่นนี้เอาละนอนพักซะระพินนอนนิ่งๆ น, นะไม่ต้องห่วงกังวลกับอะไรทั้งสิน้นนั่นเป็นคาสั่งของหมอดารินกับคนป่วย ภายหลังปฏิบัติการในทางแพทย์ของหล่อนเสร็จสิ้นลงตกเบาๆลงไปบนหน้าผากอันร้อนรุ่มนั้นไปยังไงมายังไงกระนแงสายเชษฐาถามขึ้นเมื่อเบาใจในด้านคนเจ็บลงแล้วเราสองคนพยายามจะย่องเข้าไปให้ใกล้มันที่สุดครับนายใหญ่แงสายเล่าด้วยเสียงต่ำลึกปายังจับนิ่งอยู่ที่ร่างของจอมพรานซึ่งแบบนี้นอนขดตัวตะแคงคู่อยู่ใต้โปงผ้าห่มหนา สันสะทานอยู่เป็นระยะ ะ, ยะขณะนั้นน่ะมันล่วงเข้ามาในบริเวณป่าตามแ ล, ล้วล่ะประมาณร้อยเมตรเราเลี่ยงออกทางด้านใต้ลมแต่แล้วทันทีนั้นดูราวกับว่ามันจะรู้ว่าเราเคลื่อนเข้าไปใกล้มันจึงเริ่มถอยช้าๆเรายิ่งตามมันก็ยิ่งถอยจนในที่สุดมันก็ไปหยุดชะงักอยู่ที่ป่าหินทั้งผมและผู้กองคิดตรงกันว่าที่มันถอยนะ่ะไม่ใช่เพราะเห็นเราหรือรู้ว่าเรากาลังจะหาทางยิงมัน ด้วยธนูติดระเบิดรอกหากแต่เป็นเพราะมันกระสากลิ่นควันไฟที่แคมนี่ก่อไว้ซะมากกว่าเพราะลมพัดจากแคมไปทางด้านมันโดยตรงกลิ่นควันแรงมากตลบอบอวนทีเดียวระยะระหว่างเรากับมันก็ยังไม่สามารถจะยิงธนูได้ถนัดนักผมกับผู้กองจึงกระชั้นเข้าไปอีกและมันก็ถอยอยู่เรื่อยๆคล้ายจะมีอะไรมากระซิบบอก ลักษณะของมันดูจะเปลี่ยนความตั้งใจที่จะเข้ามาโจมตีพวกเราในแคมป์โดยถอยกลับออกไปทางด้านเดิมกับที่มันย่องมาแต่แรกไงทรายหยุดเว้นระยะนิดนึงด้วยการถอนใจเขึ้นความรู้สึกของผมในขณะนั้นอยากถอยกลับเพราะเห็นว่ามันผ่าไปแล้วแต่ผู้กองน่ะไม่ยอมบอกว่าจะฆ่ามันในคืนนี้ให้ได้สั่งให้ผมตามเราก็ตามมันไปในต่าหินนั่น แต่แล้วเขาเองก็เกิดอาการหนาวสั่นขึ้นมาอย่างกระทันหันในระหว่างที่เรามอบซุ่มไปในหมู่ก้อนหินขณะนั้นเขาคลานอยู่เบื้องหน้าของผมไอ้ยักษ์กำลังเดินช้าๆไปในระหว่างโขดหินกําบังเบื้องหน้าห่างไม่เกินร้อยห้าสิบเมตรผมเห็นเขาหยุดนิ่งอยู่กับกับที่นั่งกอดปืนตัวสั่นเทาผมถามเขาแต่เขาไม่ตอบได้ยินแต่เสียงฟันกระทบกันจึงเข้าไปจับตัวก็รู้สึกตัวว่า ตัวเขาน่ะร้อนเหมือนไฟผมรู้ว่าเขาไม่สบายมากในทันทีนั้นผมทำอะไรไม่ถูกไปช่วขนะเพราะรู้ดีว่าผู้กองไม่สามารถจะร่วมมือกับผมได้ซะแล้วแม้ตัวเขาเองก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้โดยอาการพิการไปช่วยระยะเช่นนั้นเหตุการณ์ก็เข้าสู่จุดอันตรายเข้าได้เข้าเข็มที่สุดไอ้ยักษ์ยังอยู่ห่างเกินกว่าระยะธนูแต่ก็ไม่ห่างในการที่จะปรีเข้าใส่เพราะมันเองก็ยังรีรร อ, รอ คุมเชิงอยู่ในเงาหินตรงหน้านั่นเองทางด้านผมผู้กองก็สั่นทำอะไรไม่ได้ซะแล้วผมจึงหมอบซุ่มคอยระวังคุมเชิงอยู่ใกล้ๆเขานั่ น, น, นแหละจะตามต่อไปก็ไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้เพราะเกรงมันจะแววเสียงหรือรู้สึกก็จะแววงเข้าไหล่พอดีกคหยินงกระลุงคาตามไปถึงก็เป็นเวลาเดียวกับที่ไอ้ยักษ์ถอยห่างออกไปอีกเราจึงได้โอกาสแบกผู้กองกลับครับทุกคนเบิกตาโพรง ฟังแอสายเล่ายังใจไม่อยู่กันเนื้อกับตัวชัยันครางออกมาว่าเจ้าประคุณเอ้ยบุญลือเกินบุญแท้ทีเดียวไอ้ยักษ์โดนฟันไฟถอยหนีไปซะก่อนถ้าอยู่ระหว่างการประจันบานและผู้กองของเราเกิดอาการเช่นนี้ขึ้นมาล้วก็เสร็จไปแล้ว ฮ, ฮนี่เขารู้สึกตัวบ้างหรือบ้างหรือเปล่านี่วะก่อนหน้าที่จะตกลงใจออกไปประจันหน้ากับมันะ่ะ อาการไข้ของเขามันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วอย่างน้อยที่สุดก็น่าจะมีอาการอะไรเตือนให้รู้ล่วงหน้าบ้าง้านพาบุกออกไปได้เสร็จแล้วเกิดเป็นสันเป็นลูกนกอยู่กลางเหตุการณ์แบบนี้อรบพินระพินสีแรงปาดเปลืองเรื่องศักดาจะไปเสียท่าหมดเชิงพรานก็ไอโรกบ้าไปจำตัวนี่เองดารินม้มริมฝีปากเบ า, บา ชำเลืองมองร่างจอมพรานผู้ยิ่งใหญ่ของหล่อนซึ่งแบบนี้ไม่มีความเก่งกาดใดๆเหลืออยู่มากไปกว่าทารกผู้แบบอกแล้วยิ้มเศร้าๆเธอไม่เป็นกับตัวเองก็ไม่มีวันรู้หรอกใช่ยันไม่เรียนเรือรังชนิดเกาะกระดูกแบบนี้เนะี่ยบทมันจะเกิดอาการขึ้นมามันไม่เตือนให้รู้ล่วงหน้าหรอกจู่ๆเพื่อพาดมันก็สันงงงงงขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนไม่รู้เนื้อรู้ตัวทีเดียว ตอนไปติดลมสังเขียวอยู่ในถรร้ำด้วยกันคืนนั้นน่ะเขาก็เกิดอาการแบบนี้แหละฉันแทบจะเป็นบ้าตายทีเดียวเห็นหน้ากันอยู่แค่สองคนไอ้มนุษย์กินคนก็ล้อมไว้รอบด้านเจ้าชายนายพรานของเราก็สั่นเป็นเจ้าข้าวไปซะอีกปล่อยฉันเผชิญหน้ากับเหตุร้ายไปคนเดียวฉันรู้อาการของเขาดีมาแล้วยังเสียวอยู่ตลอดเวลาว่าสักวันหนึ่งเขาอาจเกิดอาการจับสั่นอย่างนี้ขึ้นมาในระหว่างเหตุการณ์ฉุกเฉินขีดสุด เป็นได้ยุ่งกันละเอาเข้าจริงๆริงไหมละ่ะนี่ยังดีนะว่าช่วยกันลากตัวกลับมาได้โดยไม่เกิดอันตรายอะไรขึ้นพวกเรานี่คิดคิดดูก็แย่แ่อยู่เหมือนกันนะพี่ใหญ่พระเดี๋ยวก็ขาเป็นง่อยไปสัทีหนึง่งพอจะค่อยยังชั่วพรานใหญ่ก็สั่นเป็นลูกนกทําอะไรไม่ได้พอพอพรานใหญ่นี่หายเรียบร้อยดีเม่เมก็คงจะถึงรอบปวดท้องร้องดิ้นพราลาดไปอีกนี่สมมุติว่าเกิดหน้าสิวหน้าขวานขึ้นมาอีก พี่ใหญ่ขาหักรพินจับสันเมปวดท้องขึ้นมาพร้อมๆกันเฮ้ถ่ามันสนุกพี่ลึกละเ่าจบหล่อนก็ยกมือขึ้นกุมขมัดก็ยังดีนะที่ยังเหลืออยู่สองคนไม่ได้มีโรคประจำตัวให้เป็นจุดอ่อนอะไรคือฉันกับเธอและคนที่แคล้วคลาบไม่เคยเป็นอะไรหนักหนา ก, กับใครเลยก็ยังเป็นหมออีกด้วยคนอื่นเป็นอะไรคนอื่นเป็นอะไรเธอก็ยังรักษาได้ สำคัญนะําหมอเองออย่าเป็นอะไรซะก็แล้วกันชายันพูดเบาๆชฉดถามองดูพรานนำทางชั้นยอดของเขาอย่างเป็นห่วงและถามน้องสาวว่าอาการของเขาเป็นยังไงบ้างนะน้อยอันตรายร้ายแรงอื่นใดก็ไม่แสดงชัดนักหรอกครับพี่ใหญ่เพียงแต่ว่าเมื่อเกิดอาการจับสันขึ้นมาก็ต้องนอนสมหมดสติสตังไปชั่วระยะหนึ่งแบบนี้ละคะ่ะให้กินยานอนพักสักชั่วโมงก็จะหายเอง และแต่าสาั่งลงแล้วก็เป็นปกติเหมือนเดิมคล้ายๆไม่ได้เป็นอะไรเลยและนี่ไม่มีทางจะหายขาดตรอกหรอกก็อาจมีทางหายได้ค่ะถ้าได้ตรวจและรักษาพยาบาลกันอย่างจริงๆจังๆไม่ใช่ว่ารักษาบ้างไม่รักษาบ้างแล้วก็ปล่อยชีวิตให้กลากร้มท่องตาอยู่แบบนี้นี่ถ้าการเดินทางของเราเสร็จสิ้นกลับไปถึงบ้านเมื่อไหร่เห็นทีจะต้องเอาเสือนี่ไปรักษาให้ขาดหายเสียที เชิดากล่าเบาๆเหมือนจะรำพึงกับตนเองด้วยความเมตตาอันเกิดขึ้นโดยไม่รู้สึกตัวหันไปมองจอมพลานอย่างโปรงสังเวชเขาบอกตนเองไม่ถูกเหมือนกันว่าเหตุใดจิตใจของเขาจึงมีความผูกพันกับบุรุษไทยอันเป็นลูกจ้างผู้นี้อย่างสนิทแนบและนับวันเวลาที่ผ่านไปก็ยิ่งทวีลึกซึ้งขึ้นทุกขณะเดี๋ยวนี้ท่านสุภาพบุรุษเชื้อพระวงศ์ ไม่ได้คิดอีกเลยว่าราพิน์ไพวันคือลูกจ้างแต่ถือเสมอน้องชายร่วมสายโลหิตหรือมิฉะนั้นก็เพื่อนตายที่รู้จักและเห็นใจกันมาตลอดทั้งชีวิตแบบเดียวกับชายใหญ่ว่าแต่น้อยพอจะกะถูกไหมว่าอาการแบบนี้ของรพินน่ะมันจะเกิดขึ้นในรอบระยะที่ห่างเช่นไรเผื่อบางทีอาจจะช่วยให้รู้ได้ล่วงหน้าหาทางเตรียมป้องกันไว้สกก่อนไม่จะปล่อยให้เขาไปเผชิญหน้ากับอันตราย แล้วไปเกิดอาการเช่นนี้ขึ้นระหว่างเหตุการณ์กะกลรลบากครับพี่ใหญ่อาการจับสันน่ะมันเกิดขึ้นได้เสมอล่ะไม่เลือกระยะหรือเวลาบางทีก็ทีบางทีก็ห่างแต่จากการสอบประวัตินะ่ะเห็นเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วเดือนละหนึ่งครั้งเขาจะต้องทรมานอยู่กับการสันทำอะไรไม่ได้แบบนี้เดีย๋ยวว่าแต่จะทำอะไรเลยครับพี่ใหญ่ขนาดจะพูดก็ยังฟังไม่เป็นคาอย่างที่เราเห็นกันอยู่เมื่อตะกี้ คิดคิดดูก็น่าสงสารนะช ย, ยันพูดแผ่วเบาออกมาจากความรู้สึกแท้จริงมองไปทางจอมพรานอย่างสลดสมเพชพวกพรานลูกมือทั้งสี่พูดกันซุบซิบนั่งล้อมวงหน้าจอยอยู่รอบรอ บ, รอบเจ้านายของตนเชิดาหันไปทางแง่ทายผู้นั่งนิ่งสงบอยู่บนขอนไม้ริมกองไฟแง่ทายแกไม่ต้องห่วงนะเพราะถ้าพรานใหญ่ทุกพลภาพชั่วขณะไปสักคนหนึ่งแล้ว จะไม่มีใครอาจฐานเคียงคู่กะแกเพื่อจุดไฟให้กับธนูของแกได้ถ้ า, าก็จำเป็นขึ้นมาฉันจะทำหน้าที่นี้คู่กัะแกเองว่าแต่ตามความรู้สึกของแกคืนนี้ไอ้ยักษ์มันจะย้อนกลับมาเล่นงานเราอีกไหมผมไม่คิดว่ามันจะย้อนเข้ามาอีกหรอกนะครับถ้าเรายังก่อไฟให้ลุกสว่างส่งควันอยู่เช่นนี้ที่มันถอยออกไปนะมันไม่ได้กลัวผมนะครับมันไม่ได้กลัวผม ไม่เด็กลัวผู้กองหรือกลัวธนูติดระเบิดหรอกเพราะมันไม่รู้จักแต่มันกลัวขวันและไอไฟคืนนี้ถ้าพู้กองไม่เกิดอาการไขกระทันหันขึ้นซะก่อนเราก็คงได้ยิงธนูกันแล้วละครับอย่าเสียดยโอกาสนั้นแต่จงดีใจที่แกบุญคําแล้วก็ข่ยินสามารถเอาผู้กองกลับคืนมาได้อย่างปลอดภัยฉันสังค์ขออยู่แล้วเชียวว่าทำไมทําไมถึงได้ไปกันนานผิดปกติ ในที่สุดมันก็มีเหตุขึ้นจนได้เอาล่ะเราจะนอนกันต่อไปเพียงแต่จะจัดเวรยามคอยระวังสูงไฟไว้อย่าให้หมอดเท่านั้นฉันก็เชื่อเหมือนกันว่ามันคงไม่กล้าย้อนเข้ามาอีกตราบใดที่ไฟไม่ดับทุกคนนอนกันอีกครั้งโดยไม่ปล่อยให้วิตกกังวลใดๆเข้ามาทำลายเวลาพักผ่อนเอาแรงจากความเคยชินต่อเหตุการณ์ซึ่งได้รับการฝึกปรือมาจนชินดีแล้ว ดารินยังไม่เข้านอนในขณะนั้นการได้หลับรวดเดียวตลอดหลายชั่วโมงประกอบกับเหตุการณ์ทำให้ตาสว่างหล่อนเดินตรวจไปรอบๆ บ, บริเวณที่พักแล้วก็มานั่งเงียบๆอยู่คนเดียวบนก้อนหินริมกองไฟที่ก่อไวถอดสายตาผ่านเปลวอันลุกพร้อมแแปลไปยังฝั่งตรงข้ามที่มีร่างของใครคนนั้นนอนห่อตัวขดตะแคงเป็นกุ้งอยู่พร้อมกับปล่อยความคิดคำนึงล่องลอยไปไกล รู้สึกคล้ายๆมีใครมาหยุดยืนอยู่ใกล้ๆเบื้องหลังพอหันมาร่างตระงานงามแบบเจ้าแม่ประโลมโลกของแม่เพื่อนสาวต่างผิวก็ย่อนกายลงนั่งข้างๆถ้าฉันเป็นเธอสักวันหนึ่งฉันจะเอาตัวเขาไปรักษาให้หายขาดจากโรคที่ท ร, รมานอยู่นั้นเสียงกระซิบขึ้นลอยๆก็ถ้าเธอเป็นเธอล่ะไม่คิดจะเอาเขาไปรักษาบ้าง อีกฝ่ายหนึ่งทวนกระแสคําโดยไม่มองหน้ามีเสียงหัวเราะเอื่อยๆประการหนึ่งฉันไม่ใช่หมอประการที่สองมันนอกเหนือจากหน้าที่ของฉันฉันรู้ตัวเองดีน้อยก็คงไม่ใช่หน้าที่ของฉันด้วยแหละเมย์สงสารเข้ามาแล้วก็จงเมตตาให้ตลอดไปเถิน้อยผู้ชายคนนี้เป็นคนดีแล้วก็น่าสงสาร ดาริญยักษ์ไหลหัวเราะเสียงแปลงพ่าอาจมีใครสงสารเขาก่อนฉันและกระมังมารียฮอฟมันสอดแขนมาโอบเอวของหล่อนกอดไว้ไม่รอกที่รักฉันคิดว่าฉันรู้จักเขาดีพอสมควรอย่างน้อยก็รู้จักมาก่อนเธอผู้หญิงคนหนึ่งเคยสงสารเขาด้วยวิธีที่หนีไปแต่งงานซะกับชายอื่นและผู้หญิงอีกคนหนึ่งก็เคยสงสารเขา โดวยวิธีหาทางให้เขาเป็นชายชูซึ่งเขาก็ปฏิเสธไม่มีใครเมตตาสงสารเขาจริงหรอกถ้าจะมีก็คงเป็นดารินวราริศคนนี้กระมังแต่ก็ยังไม่แน่นักไม่ใช่หรือดารินเงียบงันไปนานทีเดียวหล่อนไม่คาดฝันในคำพูดของมาเรียที่ได้ยินฉันไม่เข้าใจนะว่าเธอมีเจตนาอะไรที่มาพูดเช่นนี้เมเชื่อบ้างไม่น้อย ว่าฉันรักเธอแล้วยังไงล่ะขอรู้อย่างเดียวเท่านั้นนะว่าฉันจะไม่ทำอะไรให้เธอต้องขมขื่นผิดหวังเป็นอันขาดจบคำพูดสั้นๆแต่ความหมายอันมากมายผูพ้พูดจับต้นแขนของหลอนบีบหนักหน่วงเหมือนจะระบุย้ำในสัจวาจาที่ให้ไว้แล้วก็เดินพละไป